25. สัมมาสติสัมมาสมาธิอารมณ์บัญญัติอารมณ์ปรมัตดวงเล็บเปิด29มกราคม2552ในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดสติไม่ได้แปลว่ากำหนดสติแปลว่าความระลึกได้ในพระไตรปิฎกใช้คําว่าสติคือความระลึกได้คู่กับสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวสติเป็นความระลึกได้ระลึกถึงอะไรระลึกถึงความมีอยู่ของกายของใจ ถ้าสติที่ระลึกถึงความมีอยู่ของกายของใจจะเรียกว่าในเครื่องหมายคำพูดสติปัตฐานถ้าสติระลึกรู้สิ่งอื่นก็เป็นสติธรรมดาเช่นอยากทำบุญอยากใส่บาดจิตเป็นกุศลถามว่ามีสติไหมก็ถือว่ามีสติแต่เป็นสติธรรมดาไม่ใช่สติปัตฐานถ้าไม่ได้ทำสติปัตฐานแล้วก็ไม่มีวันบรรลุมรรคผลนิพพานฉะนั้นต้องมีสติรู้กายรู้ใจถึงจะใช่สติที่แท้จริง นในเครื่องหมายคำพูดสัมมาสติเป็นสติปัตาฐานคือรู้กายรู้ใจอีกตัวหนึ่งคือในเครื่องหมายคำพูดสัมมาสมาธิความตั้งมั่นของจิตส่วนใหญ่มีมิจฉาสมาธิจิตจะไหลเข้าไปเพ่งอารมณ์รู้อะไรก็เพ่งอันนั้นเลยพอเพ่งอันนั้นจิตกับอารมณ์รวมเป็นเนื้อเดียวกันอยู่อย่างนั้นกน็นิ่งอยู่ด้วยกันอย่างนั้นเองได้ความสุขความสงบความสบายความดี แต่ถ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเรียกว่าจิตมีสัมมาสมาธิตั้งมั่นมันจะเห็นว่าทุกสิ่งเป็นของถูกรู้ถูกดูทุกสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูล้วนไม่ใช่ตัวเราอะไรที่ถูกรู้อันนั้นไม่ใช่ตัวเราง่ายๆเลยนี่เป็นสูตรข้อหนึ่งเลยเห็นไหมพัดนี้ถูกรู้ดูออกไหมพวกเราดูพัดใครรู้สึกว่าพัดเป็นตัวเราก็บ้าแล้วไม่บ้าธรรมดานะบ้าหนักเลยกระติกนี่ถูกรู้ถูกดูรู้สึกไหม ใครเห็นว่ากระติกเป็นตัวเราก็บ้าอีกนั่นแหละนี่วิปลาดบ้า น, นี่ภาษาบาลีหมายถึงวิปลาดคือเห็นผิดไม่ได้แปลว่าโรคจิตนะคนละอันกันโรคจิตต้องให้หมอวินิจฉัยแต่ถ้าเห็นผิดแล้วก็วิปลาดวิปลาดภาษาแขกแปลว่าเห็นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงสําคัญมั่นหมายผิดจากความเป็นจริงฉะนั้นสิ่งใดถูกรู้สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเราอะไรถูกรู้ได้บ้างสิ่งที่ถูกรู้พูดง่ายๆคืออารมณ์ อารมณ์มีหลายชนิดนะอันแรกเลยเรียกว่าในเครื่องหมายคำพูดอารมณ์บัญญัติอันที่สองเรียกว่าในเครื่องหมายคำพูดอารมณ์ปรมัตดนี่มีสองกลุ่มใหญ่ๆ ใ, ในเครื่องหมายคำพูดอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดอันนี้ก็จิตเป็นคนรู้อย่างเรานั่งคิดไปนั่งฝันไปมีใครคิดว่าเรื่องที่เราคิดที่เราฝันเป็นเรื่องจริงเราก็ไม่ได้คิดใช่ไหมยกเว้นพวกหลงอยู่ในโลกของความคิด จะไปคิดว่าความคิดความฝันนั้นเป็นของจริงพวกที่หลงอยู่ในโลกของความคิดจะคิดอย่างนั้นฝันฝันไปแล้วก็จริงพวกเราขณะนี้ฝันอยู่คนที่ตื่นขึ้นมาถึงจะหลุดออกจากโลกของความฝันคนที่คิดเพเลิดเพลินไปในโลกความคิดนั้นยังฝันอยู่เรื่องราวที่คิดที่ฝันเรียกว่าอารมณ์บัญญัติไม่ใช้ธรรมวิปัสนาใช้ธรรมวิปัสนาไม่ได้เพราะไม่ใช่ของจริงอารมณ์ที่จะใช้ทําวิปัสนาจะต้องเป็นกลุ่มของในเครื่องหมายคําพูด อารมณ์ปรม no so ัตบางอย่างไม่ใช่ทุกอย่างอารมณ์ปรมัตแยกเป็นสองอย่างอารมณ์ที่เป็นความปรุงแต่งกับอารมณ์ที่พ้นความปรุงแต่งอารมณ์ที่พ้นความปรุงแต่งมีอย่างเดียวคือนิพพานนิพพานไม่เอามาทำวิปัสสนาเราไม่ใช้นิพพานมาทำวิปัสสนานิพพานเป็นความว่างๆบางคนพยายามจะเอาความว่างมาทำวิปัสสนาใช้ไม่ได้ถ้าขืนจงใจไปรู้นิพพานเป็นสมถะนิพพานเอาไว้ทาสมถะนะ อย่างพระอริยะทั้งหลายเวลาต้องการพักผ่อนท่านจะเข้าพละสมบัติเกิดภละจิตขึ้นมารู้อารมณ์นิพพานอันนั้นเป็นสมถะอารมณ์ปรม a m a ที่ใช้ทาวิปัสสนาชื่อว่าในเครื่องหมายคำพูดอารมณ์รูปนามเป็นอารมณ์ที่เป็นความปรุงแต่งรูปนามก็คือกายกับใจเรานี่เองเราจึงต้องคอยรู้กายรู้ใจกายประกอบด้วยอะไรกายประกอบด้วยธาตุ จ, จานวนมากมีธาตุดินธาตุน้าธาตุไฟธาตุลม ธาตุดินน้ำไฟลมตั้งอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ในอากาศธาตุถ้าไม่มีอากาศธาตุธาตุดินน้ำไฟลมก็ตั้งขึ้นมาไม่ได้ทีนี้อาศัยธาตุดินน้ำไฟลมนี้เองแปลเปลี่ยนรูปออกมาเป็นจํานวนมากเช่นรูปผู้หญิงรูปผู้ชายรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนแปลสภาพออกมาจากก้อนธาตุนั่นเองฉะนั้นตัวรูปที่แท้จริงคือตัวธาตุภาวนากว่าจะเห็นตัวธาตุได้ไม่ใช่ง่ายๆ คนภาวนาจะเห็นาธาตุได้จิตต้องทรงสมาธิในระดับที่ละเอียดประณีตถ้าไม่ได้ทำอัปปนาสมาธิมาโอกาสที่จะเห็นตัวาธาตุนี่ยากที่สุดเลยนี่เห็นอะไรเห็นมือรู้สึกไหมเห็นมือถ้าสติปัญญาเราแก่กล้าใจเราตั้งมั่นจริงเราจะไม่ได้เห็นมือเราจะรู้ว่าสิ่งที่ตามองเห็นนั้นคือสีที่ตัดกันเป็นรูปร่างอย่างนี้มีแฉกอย่างนี้แล้วใจก็มาบัญญัติขึ้นมาว่าเออนี่แหละมือมือนี่เป็นบัญญัติ สิ่งที่ตามองเห็นคือสีนี่ตัวรูปจริงๆดูยากดูยากมากถ้าใจไม่มีสมาธิพอจะไม่เห็นเห็นก็เห็นด้วยการคิดคิดเอาสัมผัสลงไปสัมผัสอะไรนี่จับลงไปจับมือจับแขนจับนิ้วอันนี้เป็นบัญญตัติจับลงไปรู้สึกไหมเป็นท่อนๆแข็งๆอ่อนๆแข็งๆอ่อนๆคืออะไรคือธาตุดินรู้สึกไหมบางที่เย็นบางที่ร้อนเย็นร้อนเป็นธาตุอะไรเป็นธาตุไฟ ฉะนั้นรู้รูปไม่ใช่ง่ายๆบางคนโมเมเอานึกว่ารู้รูปง่ายมานั่งพูดจ้อยๆน่าสงสารบอกผมจะดูแต่กายผมไม่ดูจิตหรอกเพราะจิตดูยากกายดูง่ายดูลงไปเห็นแต่สมมติบัญญัติน่ะสิไม่เห็นตัวธาตุที่แท้จริงตัวรูปที่แท้จริงไม่เห็นไม่เห็นตัวรูปไม่เห็นตัวธาตุเมื่อไม่เห็นตัวจริงของมันไตรลักษณ์จะแสดงที่ไหนมันไปแสดงในความคิดเช่นเราส่องกระจกเออ นี่หน้าเราปีนี้กับหน้าเราปีกลายไม่เหมือนกันนี่เป็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ด้วยการคิดไม่ใช่วิปัสนาฉะนั้นไม่ใช่ง่ายๆนะกว่าจะเห็นรูปรูปต่างๆมีเยอะแยะใช่ไหมรูปที่เป็นธาตุนี่เรียกว่าในเครื่องหมายคำพูดมหาภูตรูปมีรูปตัวอื่นๆอีกเยอะแยะเรียกในเครื่องหมายคำพูดอุปาทยะรูปไม่ต้องจาชื่อมันเดี๋ยวกลุ้มใจรูปแท้ๆคือตัวมหาภูตรูปนี่รูปจริงๆเลย แล้วก็มีรูปบางอย่างถือว่าเป็นรูปแท้รูปบางอย่างไม่ใช่รูปแท้เช่นรูปที่ตามองเห็นเสียงกลิ่นรสสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรพวกนี้เป็นรูปจริงๆส่วนรูปไม่แท้เช่นรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนบางคนไปทําวิปัสสนาโดยการรู้รูปยืนเดินนั่งนอนรูปยืนเดินนั่งนอนเป็นในเครื่องหมายคําพูดวิญยติรูปเป็นอุปาทยรูปไม่ใช่รูปแท้ ถ้าไม่ใช่รูปแท้เอาไปทําวิปั ส, สนาจริงๆไม่ได้หรอกอย่างบอกว่ารู้ตัวเองยกย่างเหยียบอะไรรู้หมดเลยอันนั้นไม่ใช่วิปั ส, สนานะกลายเป็นรู้วิญญยติรูปฉะนั้นโอกาสที่เราจะขึ้นวิปั ส, สนาโดยการรู้รูปนี่ยากนะยากมากเลยอีกตัวหนึ่งคือตัวนามตัวนามปรมัตา์ประกอบด้วยสองส่วนคือจิตกับเจตสิกจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เจตสิกเป็นตัวประกอบจิตเปรียบง่ายๆ จิตเหมือนน้ำที่บริสุทธิ์ใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสน้ำจะเป็นน้ำเขียวน้ำเหลืองน้ำแดงอยู่ที่สีที่ใส่ลงไปน้ำนั้นจะเหม็นน้ำนั้นจะหอมอยู่ที่กลิ่นที่เติมลงไปตัวสีตัวกลิ่นตัวรสอะไรที่ใส่ลงไปในน้ำเทียบแล้วก็เหมือนตัวเจตสิกทำให้จิตมีลักษณะต่างๆนาๆทาทั้งๆที่จิตมีธรรมชาติเดิมเป็นอันเดียวกันคือเป็นธรรมชาติรู้ไม่มีรูปร่างแสงสีใ ด, ดๆทั้งสิ้น เป็นธรรมชาติรู้เฉยๆแต่จะเป็นจิตที่มีกุศลหรือจิตอกุศลนี่อยู่ที่สิ่งที่เติมลงไปจะเป็นจิตที่สุขหรือจิตที่ทุกข์นี่อยู่ที่สิ่งที่เติมลงไปคือเจตสิกฉะนั้นเวลาเราภาวนาถ้าจะดูจิตที่ว่าดูจิตน่ะไม่ได้ดูจิตล้วนๆถ้าดูจิตล้วนๆไม่มีอะไรให้ดูเราดูลงไปถึงจิตที่ประกอบกับเจตสิกมันจะทาให้เห็นว่าจิตแต่ละดวงไม่เหมือนกัน ถ้าดูแต่จิตล้วนๆดูเข้าไปที่ธรรมชาติรู้เพล่งลงใส่ธรรมชาติรู้อย่างเดียวก็จะเห็นมันว่างๆนิ่งๆไม่มีอะไรไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูหรอกจิตนั้นอยู่ลอยๆไม่ได้จิตต้องประกอบด้วยเจตสิกเสมอนี่ก็เป็นกฎของธรรมะเรียกว่าธรรมนิยามฉะนั้นจิตจะต้องมีเจตสิกเสมอ เราจะสามารถรู้ว่าจิตดวงนี้กับจิตอีกดวงหนึ่งเป็นคนละดวงกันก็อาศัยรู้เจตสิกที่แตกต่างกันนั่นเองเพราะจิตทุกๆดวงนั้นโดยธรรมชาติของมันเองเหมือนกันหมดเลยคือเป็นธรรมชาติรู้ทีนี้มันจะเห็นความแตกต่างได้เพราะอาศัยเจตสิกที่มาประกอบแตกต่างกันเช่นจิตโลภก็คือจิตที่ประกอบด้วยโลภะจิตโกรธก็คือจิตที่ประกอบด้วยโทสะจิตหลงคือจิตที่ประกอบด้วยโมหะ จิตฟุ้งซ่านคือจิตที่ประกอบด้วยอุทัจจะจิตซึมเศร้าคือจิตที่ประกอบด้วยถีนามิทะจิตลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยคือจิตที่ประกอบด้วยวิจิกิจฉานี่คือสิ่งที่แปลกปลอมมาเราก็เลยสามารถรู้ว่าจิตที่มีโลภะกับจิตที่มีโทสะไม่เหมือนกันจิตที่มีโทสะกับจิตที่มีโมหะก็ไม่เหมือนกันจิตแต่ละดวงแต่ละดวงไม่เหมือนกันจิตที่มีความสุขกับจิตที่มีความทุกข์ก็ไม่เหมือนกันคนละดวงกัน นี่เราถึงจะเห็นได้ว่าจิตมันเกิดดับอาศัยรู้เจตสิกนั่นเองเจตสิกที่มาประกอบจิตเราเลยเห็นโอ้ลักษณะของจิตดวงนี้กับลักษณะของจิตอีกดวงหนึ่งไม่เหมือนกันการที่เห็นว่าแต่ละอันแต่ละอันไม่เหมือนกันจะทําให้เราเห็นความเกิดดับได้ถ้าเราไปดูแต่ตัวจิตรล้วนเพ่งใส่ตัวรู้ล้วนจะไม่เห็นเกิดดับเลยจะรู้สึกเที่ยง